ดีครับสบายดีไหมหรือใครจับมือนเธอจะซึมมือนเธอจะแสงเหมือนเธอเบื่อเห็นเธอในใจเห็นเธอหมดไฟและเป็นหัวฉันมีเสน่ห์ที่จะบอกเห็นเธอมาแรงเห็นเธอแสดงท่าทเอืยเห็นเธอปวดใจเห็นเธอถอดใจและใจเยือให้ลองปวใจให้ลองปวดตาให้เสนอแล้วเธอจะเห็นมุมใหม่มุมนี้ ออกมาเถอะแม่ามาฮัลวังกาออกออกมาหาจนเสีดีออกมาเถแม่ามาฮาั ชชช ช, ช, ช, ช, ชลีลาชทัเธอโชบมา อ, อกสายแล้ว ร, อร้องเพลง เชื่อกันสักคราวเชื่อกันเถอะหวังดีกับเธอเห็นเธ อ, เธอเบื่อเซงก็เลยบอ ก, อกให้ลองเปิดใจให้ลองเปิดตาให้สนุ ก, กและเธอจะเห็นมุมใหม่มุมนี้ อ, ออกมาเถอะนะมาทะเลวังกาออกออกมาหาจนเสด็ดีๆออกมาเถอะนะมาหาชาวคนดออีออกออกออกมาเต้นรำ I should t e r c h o a e her, b o a h Hotter, s t r o n man oxide.